เราทั้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเมื่อแสดงตนเป็นอุบาสกบ้างอุบาสิกาบ้างยอมรับนักถึพระพุทธศาสนาและชึ่นใจต่อรสธรรมการสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ตัดสินใจด้วยศรัทธานำความเชื่อความโน้มสต่อคุณปฏิรุษธนใตนอรนำเข้ามาสู่วัจปฏิบัติตธรรม ในทางพระพุทธศาสนาของ ông, องค์สมเด็จพระธรรมมาสมเด็จจั่งนั้นเราเตรียมพร้อมพร้อมโดยนาที่พร้อมโดยตักป ร, ปริภูโทษกังวลทางบ้านมาตั้งใจศรัทธาเลี่ยมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามาราักษาศีล มังเพนกุศลภาวนาสองประการนี้และ ก, ก็ปฏิบัติตายสุขาสามโดยปฏิบัติสินธมาทิปัญญาและเจริญสติปัฏฐานสู่เป็นข้อปฏิบตัติข้อวัดเรามาบวชกายวาจาจิตบวชเนคธรรมะปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชชูพรามอย่างที่เข้าใจกันตามวัดวารามต่างๆมาหาความสงบ มาปาลาธบรมต้องการให้จิตสงบทำใจให้สบายทำให้จิตผูกไว้กับสติทำให้สติยึดเหมียวผิดไว้ให้เกิดปัญญาแสดงออกซึ่งการปฏิบัตินั้นให้ถูกต้องการที่ทำให้จิตสงบทำยากมาก เรามาหาความสงบจุดระงับใจให้สงบโดยจะลบความยุ่งยากในใจให้หายไปเราจะใช้สติแม้แต่ห้านาทีแสนจะยากมากเราไม่ค่อยจะมีสติขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดลดละภาวนา ทำให้เราต้องสร้างจับปัญหามีจับปัญหาความยุ่งยากในครอบครัวตลอดเลยการหาความสุขสบายชีวิตหามไม่ได้การปฏิบัติธรรมจึงทําให้เราได้เข้าสู่ภาวะของผู้มีปัญญาทําให้เราแก้ปัญหาในครอบครัวได้ระหว่างสามีภรรยาและบุตรธิดาเป็นต้น ถ้าเราทำได้รับรองได้เลยว่าท่านจะในครอบครัวท่านจะไม่มีปัญหาจะไม่สร้างปัญหาขึ้นกันกันจะอยู่ด้วยสันติสุขอยูด่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาในครอบครัวของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์สอนชาวโลกให้มีความสุขสอนชาวโลกไม่ให้สร้างปัญหา แต่เราท่านทัง้งหลายไม่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนนั้นชาจะปัญหาตลอดทําให้ว้าวุ่นวุ่นวายทะเลาะวิวาดกันตลอดไร้ตายสามีภรรยาพอหาความสุขสบายไม่ได้นักภาษาเลยกับสามีภรรยาเล่าแค่ไม่บุตรทิดาก็ยังเอาดีไม่ได้ดังกล่าวนั้นก็เพราะเหตุนี้เอง เราพุทธเจา้าถึงเด็ไปหาตำลับตำรามาให้เราไปเล้ากลับเอาไปชิ้เอาตำลาพระเดดเจ้าไปชิ้ตำราที่ไล่ส า, าละธาสติมาใช้คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะอยู่เย็นเป็นสุขปรก า, ารใดแล้วแตสร้างแต่ปัญหาครอบทรวก็หาความสุขไม่ได้แลย้ยยุคทุกยุคใหม่ทุกวันนี้ ตอนที่มาฉันเกิดญาดโยมมาที่วัดปัญหาครอบครัวก็มีอยู่ห้าประการชัดเจนก็ยังมีอยู่ทุกวันครอบครัวไม่มีความสุขหรือทะเลาะวิวาดกันก็เพราะเหตุฉันไหนเล่าก็เพราะสามีภรรยาไม่มีสติปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติขาดสติขาปัญญาขาดศีลธรรม ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมสามีภยาจึงทะเลาะกันจึงไม่มีความเข้าใจกันเลยเราจะเห็นได้ว่ายุคใหม่สมัยนี้ไม่เหมือนคนโบราณปูย่ย่าตายายโบราณนั้นสอนนะสอนหนา่อนจะมีครอบครัวต้องไปบวชตามวัดวารามก็สองสามพรรษาให้เป็นมหมามดิกก่อน เคยหาลาแพทยเรียนวิชาความรู้เป็นปริญาถีโทอีกแล้วจึงได้มีครอบครัวสามีภรรยาจะแต่งงานกันก็ใช่เวลาต่างโคนต่างเป็นมหาบดิตซึ่งแต่ละกันมีสติปัญญาร่วมสมถะมายรักใกล้ร่วงไมตรีจิตมิสภาวะเลค้คเขาจึงจะแต่งงานกันเดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยต่างโคนต่างมาถึงรักใคร ไม่มีสติปัญญาแล้วก่อแต่งงานกันหาความสุขสบายในครอบครัวไม่ได้เลยจะมีชัดสี่ร้ อ, อยสี่สี่พันล้ามันก็หาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตนี้เพราชีวิตนี้ไร้สาละชีวิตไม่มั่นคงเพราะขาดสติขาดหลักธรรมคำสอนของพระเดเจ้ามนุษย์เพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรม ไม่เคยเอาที่คําสอนพวกเจ้ามาใช้คุยศีลเราก็ไม่มีปกติในตัวเองคนเราที่จะมีปกติได้นั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเรียวกว่าผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่สามีภรรยาทรงศีลทรงธรรมมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเนี่ยก็ตอบได้เลยจะไม่ฉะเลาะกันจะมีแต่ให้อาภาัยกันหนะักทิสมาหน่อยให้อาภัยกันตลอดเลยการ ถึงจะได้มากได้ผลคนเดียวนี่มีสตทิฏฐิมรณนะขาดสติปัญญาขาดความรอบรู้ขาดความเข้าใจก็ขาดสมาธิขาดปัญญาเลยอยู่ร่ ว, รวมกันไม่ได้ขาดสติปัญญานั่นเองเลยสามีภรรยาจึงทะเลาะวิวาดกัน อยู่กันไม่ทนเลยมันทีมีบุตรธิดาสามคนก็เลิกันแล้วต่างคนต่างแยกกันทะเลาะกันอยู่ทุกวันขัดคอกันทุกวันเพราะเหตุใดหาคำตอบเห็นจะเห็นจะมาอยากคือไม่ปกติสามมีก็ไม่ปกติภรรยาก็ไม่ปกติเพราะเหตุใดล่าจึงขาดปกติก็ไม่มีสติแม้แต่ห้านาทียังหาสติไม่ได้ ใจิตใจว่าหุ่นและวุ่นวายจิตใ จ, ใจละล้วมหละแหละเล้วหลาขาดสติปัญญาเหมือนมัวควายขาดเชือกผูกไม่มีเชือกผูกมันก็เพนชาไปตามเรื่องของมันคือจิตไปตามรสภาพขาดเชือกผูกขาดสติทั้งปัญญานั่นเองแล้วจิตก็เลยเพล่าผาดออกไปขาดปัญญาไล่ความสามารถไม่โยกาสที่ยังมีความสุข สนุกสบายชูชนได้จึงได้ทะเลาะกันตลอดรายการมีปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างนั้นแต่สามีภรรยาเป็นมหมาบิดมีความนึกซึ้งมีความคิดสูงมีปัญญาดีแก้ไขปัญหาได้สีเ อ, อ๋ยสีภรรยาแม่บ้านการเลีอยงเช่าศาสตร์เป็นภรรยาต้องมีสติยึดมั่นคงดำรงศาสตร์ จัมีแต่สติคือยึดในเรื่องสมาธิคำสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยชัดเจนมากคนที่จะเป็นแม่บ้านการเลี้ยงเชี่าวชาตต้องหลบขอบชอบระวังตั้งใจตรงสงสิ้งธรรมเนี่ยนำทางถูกปลูกสติดำานิดชอบประกอบกุศลได้พุทธนานเป็นหลักฐานน้ำคัญความรักของแม่บ้านกับพ่อบาทจะผูกกันแน่โดยรักไม่ตรีจิตโดยสติปัญญา ปต่ระธนาสิรัพัในปตัตตภีเอาไมตรีแรกนายอย่างใจจงสามีภรรยาเขาจะมีไมตรีจิตมีสติปัญญากันเขาจะไม่มีการทะเลาะไม่มีการเถียงกันแน่นอนลูกใหม่สมัยนี้ไม่มีมตรีจิตขาดสติปัญญาขาดพระธรรมฐ า, านฐานะเขาจึงเอาดีไม่ได้มีลูกก็ดีไม่ได้ลูกเป็นบ้าบาที่เจลิญผิดมนุษย์ลูกเป็นล้อ จิโลกไม่เรียนหนังสือแล้วก็มีมารยาทไม่ดีอันนี้อย่าไปโทษบุทรีดาของท่านเลยโทษแม่ไม่ดีแม่บ้านไม่ดีสามีก็เอาดีไม่ละทะเลาะกันอยู่ทุกวันถ้าหากว่าบ้านนั่นเป็นบ้านแสนสุขบ้านสนุกสบายจะสวดมนต์ไหวพระทุกวันแต่มีสตินอบนึกละได้ทิ้งคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจา้จ า, จ า, จาทุกวันพุทธังสราังคฉ า, าม ทำมังสรือ ง, ง, ง, ง, งนางขจาวมิฉังคังสรงังจำพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเจ้าคือลาาาัคนาตัยนโมตัชะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้า น, น้อมนึกสิงคุณพระพบุธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระวิถีคุณพระมหาคุณในคุณอนึกรึงยิวว่านโมนอมน้อมถ่อมตอน จิตก็นองไปถึงพระรัตนตรัยงเรียกว่าพุทธังสลาังคาฉามทำมังสรานังคาฉามสังคังสลาังคาฉามิรัตนตรัยเป็นแก้วอันประเสริฐลําเมือทุกกาแก้วสัพพนึกนึกเงินจะไหลนองนึกทองเล้มาตรงนี้เนี่ยขอฝากญาติโยมไหมโยมมีที่พึ่งแล้วหรือย่างที่พึ่งทางใจคือมีสติสัมปชัญญะไม่มีเลย บางคนก็ไม่เอาเลยเอาผีก็จเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาหมอดูมาเป็นที่พึ่งเลยชิงพุทธทางชานางขจฉมทำมังชานางขจฉ์ไม่ชังทางชานางขจฉ์ไม่ไม่มีเลยนะ่าทิฏได้นะไม่มีน้าโมนอบน้อมทำตนหน้าโมประว่า น, นอกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในจิตใจโคตรจึงเรียกว่าพุทธทางชานางขจฉม ขปเจ้ามีที่พึ่งแล้วคือพระพุทธเจ้าวาไว้ที่จิตใจของขปเจ้าทำให้ขปเจ้าเกิดปัญญาคุณพระวิถุที่คุณประมาคุณนันุคุณอันจึงใจนี่คือกรรมฐานพระปัญญาเกิดสามทางปัญญาเกิดจากการสดับจับฟังเรามีสติสัมปชัญญะโดดตั้งใจฟังเราจะฟังอะไรก็ฟังด้วยปัญญา ฟังโดยเตรียมพร้อมมีสติชัมนปัญญะพร้อมที่จะฟังแล้วคนนั้นมีอินทรีย์แก่กล้าจะได้ชัําเบ็ดทุกประการมีศีลาจ a ละวัฒนอันดีงามสมควรเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้สมตาสนาเรียกว่าพุชังสนังขจามข้าพเจ้ามีปัญญาสดับแล้วณบัด น, นี้ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมมาจากบ้านและคือวังโกน ล้มมูลบริบูรณ์ดีนิวันนี้วันก่อ น, น, นปเปรียมการตัดปริภคกังวลมาวัดคือเจ็ดวันจึงเรียกว่าพุทธทางจรรย์ขจามขปจาขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นชาระที่ฝึกเข้าไปเจ้าตลอดชีวิตัต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือปัญญาคุณปัญญาเกิดสามทางปัญญาเกิดจากการฉดับกับฟังฟังด้วยปัญญาฟังด้วยดีได้ปัญญา จินตามายาปัญญาคิดให้ดีคิดด้วยสติสัมปชัญญะด้วยการเจรจิญปฐมาฐานท่านจะได้ของดีจากความคิดถ้าท่านมีสติท่านจะคิดของดีถ้าท่านขาดสติท่านจะคิดของเลวออกมาอย่างนี้ถ้าจะไ ล, ล่ผลถ้าจะไม่มีพุทธทางสระนังัจามิเจริการได้ไหนเลยเราพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งของท่านได้ จะไม่ได้เลยที่แน่นอนทุทธทางพลังพ ร, งงรจําขะปะเจ้าคิดดีแล้วมีสติทัรงปรัญญะในการคิดหนอคิดหนอที่ลิ้นปีนะ่นันจะเพิ่มปูนบริบูรณ์ดีตลอดรายการชัดเจนแล้วคิดสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษข้าพเจ้าจะไม่ขอคิดติดต่อไปจะไม่คิดทางชั่วทางเลวต่อไป จะคิดดีมีปัญญาสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยจะมีะวาจาสุตะมะยะปัญญาวาจาก็เพราะจินตามะยะปัญญาคิดก็ดีฟังก็ดีมีปัญญาไหนเลยเราจะทะเลาะกันได้หรือเพราะเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วปัญญาสูงแล้วไม่ใช่ปัญญาถอยปัญญาต่ําเวลวไายหามีบ่มได้ นีหละพุทธังทนงจามภาวนามิยปัญญาเราภาวนาอายณะธาตุีพองหนอยุบหนอให้มีสติไว้ทุกเวลาอย่าหายใจไปชิงทำไมหายใจเข้ารู้หายใจกอกรู้แล้วก็มีสติตามลมให้ใจว่าพองหนอยุบหนอที่ช้อสตทิท่านจะมีอยู่ตลอดรายการท่านจะคิดชั่วไหมท่านจะคิดความชั่วไหม ถ้าท่านเอาสติออกจากลมหายใจฉันจะคิดของชั่วแต่จะเอาตัวไม่หลออแตนจะเที่ยวเสสวนห ว, วนหาตลอดเลยการถ้าเป็นเด็กก็จะเที่ยวไปตามเด็กอาจจะเป็นเด็กเมียอายุน้อยถ้ามีสติปัญญาจะท่องภาหงมาคาได้ทันทีตรงนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาเราจะเปิดผลมากผลด้วยตรงนี้เรื่องสาคัญท่านจะหายใจชิงแต่ทาไมตบเปล่า หายใจก็พองหนอยุกหนอไปเดี๋ยวนี้ได้ไหมหายใจชิงเลยหายหน้าประปาชิงไปเลยไม่เอาเนื้อเอาใต้จะประการใดคิปก็ออกมาไม่อยู่เห็นก็ดู้ไม่ดีฟังก็ฟังไม่อยู่เขาพูดเพราะจะตายฟังหาว่าเขาพูดไม่เพราะพระจิตท่างไม่เพราะสติท่านไม่ดีถ้าสตีดีแล้วเขาจะด่าท่านท่นานก็จะวัดเพราะตรงนี้เรื่องสําคัญที่หันมุมกลับ ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอยื่นการท่านคิดตามตา ม, ตา ม, มาตราหน่าเจริญกรรมฐานได้ดังกล่าวแล้วท่านจะคิดสิส่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ได้กาไรชีวิตจะไม่คิดเรื่องขาดทุนในชีวิตจตกระดารดเกิดมาทั้งทีท่านต้องเอาดีได้เกิดมาทั้งทีท่านจะ เ, เ, เอากาไรดีให้ได้ท่านจะค้าขายชีวิตท่านจะไม่ขาดทุนต่อไปแล้วณนะบัดนี้แนหะ คนที่ขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดปัญญาจะ้าขายขาดทุนตลอดไปจนชีวิตทำไมตายแล้วกว็ไปนรกไม่มีสติปัญญาที่จะเดินทางไปสู่มรรคมันคาตามตามสัชนละมัคแน่นอนกุจรลาจรชีวิตท่านก็จะไม่มีด้วยท่านจะเดินทางพลาดผิดตลอดเลยต่างเดินทางไปไม่ถูกต้องท่านจะเอานเว้นปฏิเป็นข้อปฏิบัติ ภาวนามายากปัญญาภาวนาให้ใจเข้าให้ใจออกพองหนอยุบหนอตลอดกระทั่งที่นั่งรับทานข้าวขณะที่นั่งคุยกันก็พองหนอยุบหนอตลอดทานยาพองหนอยุบหนอที่ขาสติเรานั่งอยู่ขณะ น, นี้พองหนอยุบหนอได้ไหมไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ตามชมสมบัต จ็ตก็เคล็ดไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลเพล่าผ่าตลอดกา ล, ล, ล, ลไม่มีไอไอหนอตัวเนี้ยเป็นเชือกที่ผูกเจ็ดให้มันอยู่กับสติทองหนอยกหนอให้เจ็ดอยู่กับสติเราก็จะได้กันบายชีวิตแล้วพองหนอยกหนอลมหายใจท่านจะได้เป็นบุญแตจะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมมากแต่ท่านไล่บุญวัฒนา ฟังไปแล้วกับทะลุหูขวาเข้าออกหูซ้าท่านจะได้อะไรหรือภาวนาไมายะปัญญาภาวนาดูสิจะได้ปปัญญาไหมของหนอดุจหนอนนี่อยู่กับภาวนาเปิดปัญญาไหมพอสติดีแนละ้วจิตอยู่กับสมาอาจิตอยู่กับสติท่านจะมีปัญญาท่านจะคิดอะไรว่าคิดอ่านเขียนเลี้ยวิชา ถ้าเป็นกูรบุตรทียาก็อยากจะเรียนหนังสือจะไม่เกยโรงเรียนเลยนี่ชัดเจนถ้าเคยติดยาบ้าจะเลิกทันทีไอส้สติมันจะบอกว่าติดยาบ้าทำไมจะกลายเป็นคนแล้วเป็นคนที่ไร้สติเป็นคนบ้าคนบอแอน่นอนสติบอกชัดเลยถ้าท่านขาดสติแล้วมันจะเป็นยาบ้ายาบ้าจะดีมีประโยชน์ไหม กินแี้วมันเทิดทนเจริญใจนี่แหละตัวสติตัวนี้แหละบางคนเนี่ยเคยดื่มสุรายาเมาเจ้าทู้ชอบผู้หญิงยิงเรือจะชอบใครก็ตามทีถ้าท่านมีสติดีเนี่ยท่านจะชอบไหมจะชอบคนถอยไหมจะชอบคนหางเครื่องไหมขอตอบอยู่นี้เลยถ้าท่านขาวสติทัมงชัญญะแล้วนั้นการจะคิดนอกลู่นอกทาง จะมีเมียคนนั่นจะไปมีเมียคนนั่นจะเอาเงินไปให้คนนั้นแน่นอนที่สุดตรงนี้ฉันคิดหรือเปล่าอาบายมุกหาความสนุกในสังคมนี่แหละตัวสตินี่มันตัวสำคัญจะตามาคู่ก็ยังสื่ อ, อไเล่มคนไหนเราจะใช้สติสักห้านาทียังไม่ได้ชูหนือาตโยมที่รักเอ๋ยน่าสงสารโยมมากโยมแม่ทั้งหลายที่ไปแม่บ้านการเรือน สามีจะเตสามีจะตบพองหนอยุบหนอพองหนอยุดหนอเตก็เตะเข้าไปตบก็ตบไม่เจ็บเพราอะไรมันเจ็บแต่เรื่องร่างกายใจใจไม่เจ็บใจดีมีปัญญาสามีก็กลายเป็นคนเป็นเวรกรรมที่ตบภรรยาด่าภรรยาสามีมีกา ร, รทันทีไม่ช้าสามีก็เป็นอมาภาสมีหลายลายนะที่ตบภรรยา ด่าภรรยาพรรยาไมีสติเป็นพระคนไหนมีสติสัมปชาาัญญะคนนั้นเป็นพระใจประเสริฐกับสามีด่าภรรยาสามีจะบาปเพราะด่าพระพระคืออะไรพระใจประเสริฐถ้าโยอมมีสติสัมปชาาัญญะใจประเสริฐละเมิอทุก ป, ประการจะไม่มีอบายมุกจิตใจบริสุทธิ์ดีนะ่ะเป็นพระ พระแปลว่าใจประเสริฐพระแปลว่าร้ำเลิศและพระแปลว่าบริสุทธิ์ขุดผองนั้นทองคำธรรมชาติที่หล่อเหลาไม่ใช่พระมองเหลืองหมเหลืองอย่างนี้เป็นพระมีพระเปลือกนอกแต่ข้างในรู้ไหมถ้าเป็นพระหรือเปล่าท่านจะรู้ไหมเพราะว่าท่าน่ยปัจจัดตังไว้ที่จับโพมือหีถ้าท่านจเจริญกัรมฐานใจึกาสามครบเสีงสมาธิปัญญา อยู่ในตัวท่านไหมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ครบวงก่อยท่านจะรู้ตัวว่าถ้าเป็นพระถ้าถ้าเป็นชาแล้วท่านจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่พยาบาทจะไม่ผูกใจเจ็บใครแน่นอนถ้าท่านไม่เป็นพระใจลำอมาิตเพื่อนโหดทะลุรุ่นร้ายฆ่าชาติตัวเป็นให้จันตายแล้วนะ่ะ โยมเป็นพระได้ไหเป็นพระไม่ได่าสามีพรรยาที่ตีกันตบตนดดกันด่ากันไม่สละเป็นเถรเทวทัตควายตกนรกใตาเถรเทวทัตโบราณเขาว่าไว้ตกนรกใตายเถรเทวทัตใต้บาดาลถ้าโยมเหมือนจะยากปีเมตจนเมตสติเขาไว้หน่อยได้ไหมใครจะดา่าใครจะว่าจะไม่โกรธเพราะพระนี่ไม่โกรธคน ถ้าพระแท้ทํำไมโกรธถ้าพระไม่แท้โกรธแน่นอนใครมาว่าก็โกรธแต่โยมเนี่ยมีสติหายใจพองหนอหยุกหนอ้อมีสติครบหนึ่งบวกหนึ่งไปหนึ่งแล้วใครจะดา่าใครจะว่าจะไม่โกรธจะไม่สนใจคาําด่าจะสนใจแต่สนใจแต่ความดีนี่แหละความดีต้องมีอุปสรรคอย่างนี้ ความดีต้องลงทุนความลำบากมากต้องอดทนมากต้องฟังเขาดา่ดาได้เขาจะดา่ายังไงเราก็ไม่โกรธเราก็โกรดหนอที่ริ้นปี่โปรธเนอโกรดหน อ, หนอสติดีปัญญาดีนั่นคือกระเป็นพระแล้วใจเนี่ยถ้าประเสริฐใครด่ า, ดาจะไม่โกรธมันก็กลับไปหาคนด่าเองอย่างนี้เป็นต้น ละที่แท้จริงนะโยมนะจะยิ้มหนกยิ้มในยิ้มจิตยิ้มใจยิ้มยกย่องให้เกียดคนอื่นตลอดเวลาจะไม่เหยียดหยามแตท่านผู้ใดจะไม่เยาะเยาะหย่อนท่านผู้ใดเลยจะให้เกียรติยิ้มแย้มแต่ใตงใจตนนาจาั้งใจชงธนาเจรจาไพลราะครองเคราะเอื้อเพื่อขา่าหรือถดูแกไม่แก่ถูกข่ามายิ้มบางทีหน้าเขาไมา่ยิ้มแต่ใจเขายิ้ม อย่างนี้เป็นต้นดูก็รู้แล้วลคนเนี้ยอารมณ์ดีเป็นพระอารมณ์เสียเนะี่ยเป็นบาปอารมณ์มาดีเนะ่ยเป็นบาปเลยจะพูดหน่อยก็เถียงคำไม่ตกฟากมีความหมายเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันเวลาลามดีๆเนะี่ยจะทะเลาะกันไหมขอถามหน่อยลมดีด้วยการสามีภรรยาจะเข้าเวลาที่ว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจายาก ถ้าโยมนะยอมจ่าถ้ายอมอารมณ์ดีจะพูดจา่าเข้าใจกันง่ายๆพูดดีๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอคติแต่ประการไดสามีก็พูดดีภรรยาก็พูดดีมีเรื่องจะทะเลาะกันไหมขอถามจริงๆเชอะสามีพูดคำหนึ่งภรรยาสองคำที่ขีต่อกันเนี่ยไม่ใช่พระเลยเป็นอะไรหรือเป็นยา นางยักษ์เกิดขึ้นในบ้านของเรารับรองโยมไม่มีความสุขเลยเพราะอยู่กับยักษ์โยมผู้ชายได้ภยาเป็นยักษ์ตั้งหนีนางยักษ์แน่พระภัยมณีจะอยู่ได้ไหมพระอภัยมณีแปลว่าให้อภัยได้มณีแก้วคือมณีแก้วนวราชเก้าประการแพทย์ ด, ดีมณีแดง เชือสายแสงมายกรดเหลืองสายสดบูเลสาคมแดงแก่โกเมนเอ็กต้องซีหมอกเม็มิละการต้องวานสายไปทูรถ้ายมมีได้แพทดีมณีแดงหนึ่งขยันอกกาสองงานฉาบสามฉลาดเราคอบมสี่ชอบระวังห้าจ้งใจตรงหกทรงทุการเจ็ดน้ำทางถูกแปดปุกิเก้าดวงถ้ามีแพทน้ำหนึ่งอยู่ในดวงใจโยมผู้หญิงจะสวยนาลัก คือสัจจะเมตตาสามมิตีมีดีไหนยอมผู้ชายจะแนบสนิทติดในหัวใจแม่บ้านดีชะคนเดียวสามีจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะไปเจ้าชู้ออกนอกบ้านนอกนอกบ้านนอกทางช่างเขาแม่บ้านดีรักษาบ้านไว้อย่าให้บ้านชกปลอกให้บ้านสะอาดที่กินส้าดที่ทายช่างดอกที่ชายสะดวกกินของร้องนในมุ่งถุงในชั้นของสาวดูลูกไว้ ตรวจมนภาวนากับลูกสามีจะอายเลยสามีไปเล่นการพนันไปกินเหล้ามายานี่แหละความดีเป็นพระไม่ลดละภาวนาสามีจะเกรงใจงจะไม่สามารถจะบางอายกับภรรยาแน่นอนจะเลี้ยงอกเกรงใจหมดสาคัญมึงทําและกู้สองเลยกู้สองมึงสามเก็ตีกันหน้าที่ได้ไม่ใช่พระเป็นแพะทขู เป็นยากทั้งคู่เลยแม่บ้านก็เป็นยากสามีก็เป็นโทษสกัดแนวเนื้อใต้จตุจักรได้ชัดเจนก็ขอสาจายอมยอมมีมาเวลาจำกัดมากโปรดตั้งใจฟังชนิดเถอะยอมจะได้หยิบได้ดีไปหรือจะเป็นยากกันต่อไปเพราะเศรษฐกิจมันตกอย่าให้หัวใจตกเลยนะต้องใจสู้สร้างความรู้ให้กับจิตเป็นมิตภาพของชีวิต ให้กับตัวเองให้จึงได้ไมีสติตัวเดียวมีไม่ได้เค็ดหนอโกรธหนอทำได้ไหมไม่ได้สะกลนเสียงหนอใช้สติปัญญาไว้จิฟังว่าเขาพูดเขาบ่าเราก็อย่าไปรับธรรมที่เร็วเรว็ถ้าเราเป็นบัณฑิตแล้วจิตนี้เป็นสมาธิมีเป็นพระจะไม่รับธรรมชั่วเข้ามาไว้ในจิต ะละรับจากของดีว่าในจิตใจของเราจะไม่รับความชั่วของคนอื่นมาว่าในใจของเราจะมองคนในเนี้ยดีหมดจะไม่พอมองคนในเแง่ร้ายจากการใดตรงนี้สําคัญจะยอมผู้ชายจะเจ้าชู้จะเที่ยวยังไรช่างอย่าไปสนใจอย่าได้ไหมถ้ายอมตัดใจ ไ, ได้อีเรื่องสักสามคนสวดพาหูมาตาลูกเกิดสวด น, นะลูกนะ เจอพามกาหน้าท่าเองทาเหลืงเสือแข่งไปว่าเตออคือยละไอพ่อมันเจ้าชู้แต่พ่อมันเล่นการพนานปล่อยไปเลยอย่าเอาคนช่วมาเข้าบ้านได้ไหมถ้ายอมยังขือเอาอ้าสามีเจ้าชู้มาเข้าบา้านกินเล่ามายาเล่นการพนันมาเข้าบา้านโยมเจ้งเละเจ้งหละถ้าไม่แก้ไขเขาไล่มาอย่าลล่ตอบได้ไหมเขมาม่ดีมาเอาความดีไปแก้ไข ของกรมีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลยหลายเอาความจริงใจไปสนทนาโยมชนะถ้ายอมเชื่อธรรมาเอาไปใช้ถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรจะให้ลูกเลยเพลราภาระวังยาบ้านถ้าโยมเคาะลายปิดยาบ้ า, จ, า จ, จะาชี้แจงตลอดชีวิตแกไม่ได้แกไม่ได้เลยนะระวังระวังนะสามีไม่ดีไม่เป็นไรยมแม่บ้าเนี่ยตัวสําคัญธรรมมาขอเจริญพร ถ้าแม่บ้านดีนะสวดมนต์น้ลพระมารยาทน่ารักสวยน่ารักมากอยา้สวยน่าเกลียดเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเป็นแม่บ้านสวยหน่าเกลียดตามใจตัวผู้ชายหน้ากลัวไมรูจักเกรงใจคนแจ้งเลยแจ้งแน่นอนส ม, มาบอกแจ้งเลยแจ้งจ่อสักแจ้งไม่เฮงไรโชยขือไม่เฮงไรฮอไม่รวยแน่นอนจเอนจเอาอ้าไงเจ้ายังไง ยิ้มให้มันมีอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะโปรดยิ้มอย่ายิ้มใหญ่ยิ้มแต่สิ่งที่บริสุทธิ์พูดพ้อนทองคำธรรมชาติที่หล่อเหลาจิตใจยอมจะเป็นมหาคุสมจะเป็นพระเงินจะไหลงนองทองไวมาอยากร ว, วยไหมข็ถามงอยากรวยไหมเนี่ยอยากรวยไหมทุกคนไม่อยากรวยไม่เป็นไรอยากจนก็ไม่เป็นไรยากจนไม่เป็นไรอยาก อยากจนคนอยากจนเยอะแยะไม่รู้เป็นอะไรเพลาะอะไรก็ไม่ทราบไม่ทราบอยากหน้าสามีดีไหมยอยากให้ลูกเขยดีไหมยอยากให้ลูกเขยเป็นเจ้าของลุงสีแล้วลูกเขยเป็นเศรษฐีเอาลูกขเขยเศรษฐีแล้วมาเป็นลูกเขยเอาลูกสัายเศรษฐีมาเลยชิมแม่ผัวจะได้ทำกับข้าวให้ลูกสัมายกินตามไว้นะ ตรงนี้เป็นบทความพองยักษิแม่ผัวเพรียนเลยนะถ้าจะเป็นแม่ผัวทมกับข้าวให้ดีๆไม่งั้นแม่มุกสะพ้ายตบตบให้ลมไปเลยลูกชายดูเฉยเลยเรื่องจริงที่วัดขอฝากไว้ลูกจะดีหมดมีบุตรธิดาจะจะเลยรุย่งเรืองรัฒนารสถาปน์ไม่ใช่มาสงวันแล้วเลิกกันเลยกลับไปบ้านแล้วไม่เดินจง ก, กลมถ้ารามีธรรมประาป จ, จาใจตลอดเายการนี ใครจะว่าไงก็ไม่โกรธไม่ลงโทษใครอารมณ์จะดีตลอดเสมอต้นเส ม, อ, สมอปลายเป็นครูบาอาจารย์จะสอนได้ดีมากโยนเป็นนักธุรกิจนักการค้าจ ะ, จะเลินล่้งเลี้ยงก้าวหน้าอย่างแน่นอนมีลูกจะได้ดิบดดีเป็นใหญ่เป็นโตเป็นล็อกเตอร์สักคนเป็นแพทย์เป็นหมอกระทั่งเรายาดจอมเงินทองไม่มีเงินมีทองจะส่งลูกเรียน ในสู่ก็มีคนช่วยจนได้ด้วยความปรารถนาดีของเราดังที่กล่าวไ้ไม่ปรารถนาไม่ดีก็ตายการปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เดินจงกรมยืนหน่มห้าครั้งให้ได้ถ้าทำได้เป็นประจำเนี่ยโยมจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองดูลูกไปเลยลูกจะไม่เกเรกระเสือลูกจะดีมีปัญญาเหมือนโยมเป็นพ่อเป็นแม่เขาโยมผู้ชาย ลากลูกติดพิสูกนฝังอย่าทะเลาะ ก, กันไดนะ้ไหาสามีพรรยามไม่ทะเลาะกันเลยโฉดมนภาวนาลูกดีหมดทุกคนจะไม่เสียหายไม่มีอกะโอไม่มีโอกาสติดยาแมา่เนี่ยพ่อแม่ลากลูกพิสูจน์ฝังให้ลูกต่างตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีให้หล่ะตรงนี้เหลือกินเหลือใช้และพี่น้องอย่าทะเลาะ ก, กัน ที่จงข่วย น, น้นองน้องขวยพี่ชาความดีพ่อแม่ต่อไปบ้านนั้นบ้านเศรษฐีบ้านมันมีชื่อถุกเป็นบ้านอาณาธิบิดีกะมหาเศรษฐีแน่นอนจะไม่มีเรื่องราวกับใครจะไม่ขึ้นโลงศาลจะไม่มีปัญหากับใครมิจะสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองชีวิตตัวเองก็จะรุ่งเรืองวัฒนธถร า, ท า, ทาพนพรตลอดไปไม่มีปัญหากับใครบ้านไกลเรือนเคียงเราก็ไม่มีปัญหากับเขา ที่ทางต่างๆก็เป็นของโลกมนุษย์ไม่แชรเป็นของเหล่าเดี๋ยวเราตายไปก็ต้องเวียนคืนไปนะไม่มีโอกาสจะเอาที่ดินของโยม่ะใส่โลวงผีไปได้เจะเบ้านใส่โลวงผีไปได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมมีรถจี卡นเอาใส่ลวงผีไปหมดมลิตารเรือนทองใส่โล่งผีไปรับรองสับเปลือก เ, เอาหมดรู้จักสับเปลือกไหมเนอะ ถ้าไปะเลย อ, อยู่ที่ไหนฮะถ้าไปะเหลยเอา ก, กินหมดเลยถ้าผอถ้าผ้าดีเนาะเขาเขาออกนะเขาลือกันนะเราเนี่ยยอมตายตายจกี่ครั้ฮะแล้วตายอีกได้ไหมแก้ตัวได้ไหมตายแก้ตัวได้ไหมคะไม่ได้อย่าสร้างความชั่ว ดีไม่ที่พูดเนี่ยจะเข้าท่าไหมไม่เข้าท่าเลยเนาะพูดไม่เป็นเรื่องเลยหลวงพ่อบุวันไม่เป็นเรื่องการลาวจริงๆแต่ไม่ว่ากันนะามาเสียใจแต่ตัวเองคิดอยู่ทุกเนยที ท, ทองว่าลาเนี่ยผ่านมามากแล้วเหลือข้างหน้าน้อยจนสุดจะตายวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ฉาต้องเรียบธรรมเถึงอย่าผัดวันตะการพูดคิดว่าเราจะอยู่นานจะตาย ตายแก้ตัวไม่ได้หรอกนะตายแล้วก็ฟื้นมาแล้วไปตายใหม่ได้ไหมไม่ได้นะอย่าคิดว่าตายเนี่ยมันจะยากนะยากไหมตายยากไหมนะง่ายเดียวล้มไม่หายใจจะตายไหมเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากแต่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกันโลกอิจชาอิหญยาย ถ้าโยมเดินจงกรมนั่งปฏิบัติสวดพาหงมาตาทุกวันรับรองบ้านโยม น, นจะเป็นบ้านแสงสุขขอร้องบิณฑบาตถ้าโยมมีสติท่านไม่เัญญยะจะไม่ทะเลาะบ้านที่ทะเลาะกันนั้นคาสติอับอายขายหน้าบ้านกลเลี้ยงเพียงเขาไหมษามีพระยาต้องมานั่งทะเลาะกันทั้งที่มีอายุแรงแหากว่าบ้านนั้นมีเขยมีสะพาย ก็น่าจะอบอายถ่ายหน้าเขยจะพาหรืออายลูกเขาบ้างก็ไม่มีเลยเพราะเขาไม่สนใจทำอายเพราะว่าสีลิโอตะ ป, ปะไม่มีเลยเต็นยกลัวต่อบาปก็หามีไหมสิริโอตะ ป, ปะความอายต่อบาปกรรมก็ไม่มีแล้วคนที่มีสติฉัมภิชญญะดีจะอายต่อบาปกรรมจะไม่กล้าทำบาปต่อไปนะโยมนะ เนี่ยการปฏิบัตินี้มีก็เขาส่งข่าวมาเรื่อยลูกเทียาเดติสา ม, มีก็จะทุเล่นการพนันเขาก็กลุ่มใจจะตายบอกโยมอย่าไปกลุ่มมาเลยเอาความกลุ่มออกไปซะลงให้มันตกนะปลูกศรทัทธาให้เชื่อมัน่นต่อคุณมริลิรณนาตัยเริ่ม ต, ต, ต้นใหม่ปลูกศรทัรทธาเชื่อมั่นปลูกศรัทาเชื่อมั่นแล้วทําไง ถ้าปลูกศรัทธาไม่ขึ้นก็ลงลงอะไรปลูกศรัทธาไม่ขึ้นก็เอาเอ า, เอาจิตออกไปใช่คือทุกบททุกขออกจากจิตใจอย่าเอาทุกมาไว้ในใจต่อไปถ้าไม่มีทุกในใจแล้วจะปลูกศรัทธาขึ้นเหมือนปลูกต้นหมากรากไม้งอกงามไวก็เอาทุกออกจากจิตใจเอาทุกออกไม่ได้แล้วเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ชุว แม่ก็ปรับตัวให้เขากเขาไดาปรับตัวไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้ก็โปรงให้มันตกอันนีจังเอ๋ยทุกขังนิตาหาความแนนอนชีวิดไม่ได้เลยยมจะได้มีกำลังใจสร้างความดีต่อไปนับปัดนีบันน่นะจะมีประโยชน์ต่อชีวิตโยมมากเหลือเกินก็ขอประทานโทษโยมชายก็ดีเป็นพ่อบาตแม่เลี้ยงเชืาถ้าไม่ทะเลาะกัน สองสามีภรรยาปรึกษาตองดองสวดมนต์ไหว้พระ ท, ทุกวันตาบบาตทุกวันรับรองบ่ายยมจะเทะเลลุล่งเรียงวัฒนธรรมตาพรตามภาษาคุณจีนบอกว่าทําอะไรให้เหลือกินเหลือชายอย่าให้มันอย่าห่วงกันกินห่วงกันชายทาอะไรให้เหลือกี่เหลือใชาและสวงคน้ามีภรรยาสวดมนต์ไหว้พระตาบบาต ท, ทุกวันรับรองรวยเนี่ยคาว่ารวยแปลว่าอะไร แล้ววาจิตใจงอกจิตใจงอกก็จะรวยวิจิตใจโหดหมดอะไรแตอยากจะจนตลอดชาติจนเหลือเกินมาปุ๊กหกที่ตีตาเดินอยู่ตาจนตลอดในกายทำไมาจนจนแปลว่าไม่มีทําไมไม่มีน่ะเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทํำน่ะเพราะว่าทีศเหยียดขาดกุลพรรธ์ไล่สติสชำประชัญญะมันถึงทิศเหยียดทิศคลาดไม่อยากจะเอางานเอาการจัดการใด ทำไมก็ถาดปัญญานั่นเองคนที่มีสติปัญญาจะขยันตลอดรายการชีวิตไม่ผิดหวังสู้ตลอดรายการถึงในบุญเลิรขาถูกรถชนเมียก็หนีไปอยู่คนเดียวเนี่บานช้ำชุกแต่มาบอกเลยชวนมอนนานบุลเลิร์ตัวตามมากาเขา้าหายใจพองยุบับบนี้ใจสู้เนีวย ไปปูกต้นหมากรากไม้รวยฉบัตเลยนี่สามทุกอำเภอแจ้าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในบุเลอรรวยออกไอทีวีไปแล้วคนที่ขาดีไม่เห็บปลูกต้องมากินของไอคนขาเสียเนี่ยขาเนี่ยเล่หมดเล ย, เ น, ยนอนระ้าบเอารถสายไปหวานดินปกต้นมาพลากม้แล้วเอาน้ำรถแล้วก็จอบเขียมวันทุกวันใจสู้ หัวใจไม่แพ้เราอย่าแพ้นะตายสู้ไหมเนี่ยสู้ไหมคะสู้เหรอสู้ยังไงฮะสู้ใครฮะต้องสู้เฮ้ไม่จะตั้งสู้ต้องสู้งานตาและหน้าที่ไม่เป็นไรตายให้มันตายปวดเมื่อยไหมหน้าปวดเมื่อยไหม ปวดไหมตายให้มันตายสู้ไหมปวดให้มันปวดให้มันตา ย, ตา ย, ย, ยาสาิตายอย่างนี้ดีเนี่ยจะได้เผาจบให้เอาไหมตายเนี่ยปวดตายให้มันตายนี่ใจสู้หัวใจไม่แพ้โยมขอประทานโทษหัวใจแพ้ไหมแพ้ไหมแพ้ไหมเงียบฮะ ชนะแน่นะเรียกว่าอิสระเสรีถ้ามีอิสราเสรีคือใจสู้ชนะใจตัวเองทุกอย่างสาเร็จอยู่ที่สติฉัประชัญญะพอาละขาดสติฉัทชัญยะใจไม่สู้แพ้ตลอดกาลดีไม่ได้เลยจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ประการใดเรขอฝากถกวกโมนต์ไหพระเดินกลมๆกลับไปบ้านเดินกลมๆ ก่อนนั่ ง, งเดินจงกรมก่อนเดินจง ก, กมรมละสามสิบนาทีนั่งสามสิบนา ท, ทีทุกวันให้อย่าขาดได้ไหมแต่ทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันรับรองโยมจะเจริญรุ่งเรืองปัญญาจะเกิดชัดเจนมากทําอะไรก็จะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ช่าปัญหาให้จะครอบกลัวนี่สิ่ที่มีอยู่ก็จะให้มีหมดไม่เชื่หมายความวาเจริกาางกรรมฐานสวดมนต์และให้เงินมากองไม่ขาด เราต้องการให้มีปัญญาจะได้ไปแก้ปัญหาจะไปหาเงินได้วิธี่ใดจะไปขายของตรงไหนจะไปหาเงินอย่างไรตะตีมันจะบอกทุกอย่างรับรองใช้งียบหมดแน่นงี่เก่าก็ใช้ได้แต่นี่ที่ใช้ไม่หมดไม่อยู่นี่เดียวยอมรู้ไหมนี่อะไรที่ใช้ไม่หมดตอบนี่อะไรฮะไม่ใช่นี่บุญคุณ นี่บุญคุณใช่ไหมหมดนี่บุญคุณพ่อแม่ใช่หมดไหมคะใช่หมดไหมคะเนี่ยเราเราพอแม่เลี้ยงมาเนี่ยนะพ่อแม่ให้เราได้ทุกอย่างไหมโยมแล้วก็ช่วยแล้วได้ทุกอย่างไหมแล้วใครรักเรายังบอยฉุดใครนะแฟนหรอแฟนเหรอแฟนรันกเราไหม ดีมันก็จะรักไม่ดีมันก็ถีพไปนี่สมมุตินะสมมุตินะสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงรอ่ะแต่พ่อแม่เนี่ยท่าบนมากนะจะบอกวิธีแก้ไขท่าบนแล้วทุกวันทุกวันเอาไปเลยนะบ้านบางแพรเอาไปเอาไปเลยลนี่แหละนี่บุญคุณไม่รู้จักหมดบุญคุณไหนไม่รู้จักนี่บุญคุณจะทำไงจะทํายังไงครับ อยากมากพอแม่เลี้ยงลูกไม่ปลูกจนพอมาใหญ่มาโตจะไว้อายัยค้าเจ็บได้ปากข้ายคราวตายย่าฝากผีดีๆเวลาชายชอยบ้างปะไลมีรับสอยได้ไหมค้าไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้เลยฮะได้เหรอแน่นอนนะ แน้ใช่ได้ตอบเนี่ยใช้ได้แต่วิธีปฏิบัติยังไม่ชาบยังไม่ชาบเราจะใช้ได้แค่ไหนยังไม่เคยเห็นถ้าแฟนรักเราเนี่ยเราจะใช้มีแฟนได้ไหมคะแฟนให้เราทุกอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะได้อะไรน่าจะดีเท่าแฟนเรา พอแม่เหลือจะดีเท่าแฟนเราไม่มีอีกแล้วแม่คุณแม่ทุนหัวเรื่องเชิงเลยถูกไหมคะนะ่ยพยายามหน่อยนะแต่แม่เสยอไม่ดีตอบให้ยิ่นไปเลยมีเนะ่ยมีตัวอย่างที่วัดตอบแม่ผัวอายุเจ็ดสิบห้าเป็นคนจียนตอบพระล้มไปลูกชายดูเฉยเจ๊ก็บอกไอ้สีต้องเลิกทำมัน ภรรยาเขาบอกเลิกได้เลยลูกสามคนไม่เป็นอติบอกเลิกไม่ได้หรอกแจ้ไม่ลูกในการถามคอนเลิกได้ไหมเนอะเอะเลิกได้ไหมไม่ได้ไม่ลูกด้วยกันอติบอกอติปัญญาโทจุฬา อย่าไปเลิกเลยนะถ้าแม่ผัวแม่ตอบไปแล้วน้องพระเดชประคุณให้ได้นี่สีกรรมฐานนะทําให้มันได้อย่างนี้ถึงจะไปลูกศิษย์วัดสุภวันดีไหมดีไหมคระแต่จะหาลูกสภัยต้องหาลูกเศรษฐีจะหาลูกเขยต้องหาลูกเขยเศรษฐีคนดีๆอย่าไปเอามันจังหอาลูกสาเศรษฐีเลยแม่ต้องทำกับข้าวให้ดี แม่ก็ทำชงกาแฟมอาตมาถามบอกวนนี้ชงให้ตัาางวตไว้อยู่กับพายยังไม่ตื่นสามโงเช้ชาลูกเศรษฐีมาออกมาถึงนั่งชิงกาแฟ ก, าก่อนดื่มเขาจะพักแม่วันนี้ขมไปหน่อยนะมาหวานพอดีเลแเราขอลาเลยโอ้โหดูหน้าอยู่กับพายแล้วใช้ได้ใช่ได้ลูปสาวรูลาสวยหน้าเปลียดพี่ลึก คุณคุ้แค่แบบสูงไม่ใจเลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะในแหละสมย่ำนาไปหาลูกสาวเสรษฐเป็นเพื่อนกันหากว่าจะเป็นไปได้พวกมีสติทั้งหมดชัญยะเขาจะหาคนดีเข้ามายากดีมีโจนไม่เป็นเอาคนดีสักคนไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะเอาคนดีมาเป็นลูกเขยมาเป็นลู ก, กับพ้ายได้ไหมคะง่ายเหรอ ยังงั้นเหรอจะได้ลงบัญชีนะเอาไงเหรอกลนะุงว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมต้องเอาลูกสะพายสิงคโปรนะ์ดีไหมลูกสายสิงคโปร์จะตอบไม่ผัวไหมนะทำไมไม่ตบอบก็ไรนะ อะไรเนี่ยแม่ผัวเขาเป็นแม่แม่ของใครครับแม่ผัวเป็นแม่ของใครฮะแม่ผัวเป็นแม่ของลูกกับพายแม่ผัวเป็นแม่ของผัวโอ้โหแม่ผัวไปลูกแม่ผูกกระพายเขาเป็นแม่ของผัว ถ้าเราไม่ได้แม่เนี่ยเราจะได้ผัวไหมฮะคว่าถ้าเราไม่มีแม่ผัวเนี่ยจะมีผัวไหมเอีฮะอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องตอบให้ยินงไปเลยนะจำไว้นี่ยดีไหมนี่ท่านชาธทุชนทั้งหลายทุกใบช า, าเรื่องจริงที่วัดเป็นกฎแห่งกรรม เองกตแห่งดาวแน่นอยลูกชายดูเฉยเป็นปัญญาโทจุลาพี่สาวอยู่จังหวัดสมุทรปราการแม่เป็นคนจริงอายุเจ็ด้าพูดไทยไม่ชัดประวัติชาติต้องประทับใจเราแน่นอนตอมาจึงเขียนขึ้นมีลูกชายไปได้เมียเมียเป็นแม่ตัวมันไปมีลูกสาวไปได้ผัวผัวมันพ่อตัวนไป เราเป็นแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเอาบุญเถอะแม่คุณแม่ทุนหัวเอาบุญเถอะอย่าไปสนใจเับเราเท่าทแฉลแต่ชะลาสองคนตา ย, ยายสวดมนภาวนาจนกว่าจะตายดีไหมคะดีเลยครับเขาไม่มาดูแลเราเราเชื่อประเทศไทยใครเขาจะรักเราถ้าเมียเผลอเรานะฝรัร่งมันร้องเพลงที่ท้องน้ําหลวงนะแม่คุณนะมนันนงงพาจูงแ บ, บนเล้ว วันแม่แล้วก็สายเชื้อทรงไทยร้องข้า้ํานมของแม่แล้วก็ร้องห้เนาะแล้วก็สาวฝรั่งร้องประเพณีไทยวัฒนธรรมแต่งตัวชุดไทยสวยน่ารักทองน้ําหลวงไม่ได้ดูเหรอมันที่พี่สองสิงหาได้ดูไหมนะจบเลยไม่มีพยายาเลยเดี๋ยวนี้ดูปลา่าคุณกจบ จบแล้นี่มีพยานไหมเนี่ยตายเลยเราไม่มีพยานศาลไม่เชื่อแล้วคนไทยร้องไงคนไทยร้องไงรู้ไหมร้องแต่ฝรั่งฝรั่งร้องขานนมเนยของแม่แต่ละหยดแต่ละหยดทีเราดื่มน้มนมแม่ดูเลือดในอกของแม่จินแต่ละหยดกล่วจะคลอดออกมาแสนพยากนี่เขาร้องอย่างนั้นฝรั่ง เราต้องใช้คล้องแม่ไปโรงแรมกว่าจะโทษขม่าที่คนไทยจะขับพาออกมาแล้วแม่ต้อานมใชป้ปาาแลวถึงดูดแม่เอาข้าวปอนก็ต้องกินไม่กินก็ตายแม่ไปฝากโรงเรียนก็ต้องเรียนนี่ร้องเพลงไปอย่างนั้นนะก็แสดงว่าเราต้องซึ่งตัวเองนะหนูนะคุณแม่รู้ไหมคะลูกออกมาทำอย่างนั้นใช่ไหมนะไม่ทำก็ทำใจแต่คนไทยร้องแน่เลย อะไรเนาะจะดีข้าอะไรเป็นข้านมนมที่ดีที่สุดด้วยนมนมของเมียไม่ดีอีกแล้วลองสนามหลวงไม่ได้ยินเหรอสุ่งอ๋ฮะของลูกของเมียดีไหมดีไหมรู้แล้วเรารู้แล้ว นี่ขอฝากเขาด้วยอย่าลืมคนที่มีบุญวัฒนาจะไม่ลืมพระคุณของคนอย่าไม่ลืมพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่มีพระคุณต่อเราขอฝากโย ม, มนะท่านอากรรมาฐานได้จะนึกหนักจะคิดถึงแม่ตลอดเลยการเราไม่คิดถึงแม่เลยเหรอแม่เลี้ยงเรามาตลอดเลยกาเราไม่นึกถึงแม่หรอ อะไรหนอจะ ล, กลักเราอย่างบ่อยชุดใจไม่มีแล้วถ้าโยมเจริญกรรมฐานที่เคยด่าแม่ด่าพ่อจะร้องไห้ทัทนทีคนที่เตบเมียเคยด่าเมียลูกเป็นอดอกเธอรถึงสามคนพอ ม, มานั่งกรรมฐานจะร้องไห้ที่ถึงภรยาน่าจะกลาวภรรยาได้แล้วเพราะอะไรหรือภรรยาเลี้ยงลูกอย่างดียังพาไปด่าภรรยาด่าทั้งตอบทั้งตีพอ ม, มานั่งกรรมฐาน สติก็ระลึกได้ว่าโอ๋อเขามีบุญคุณกับเราเราไม่น่าจะไปทําเขาเลยเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปไปภรรยาตบภรรยาภรรยาด่าสามีก็เป็นบาปเช่นเียแต่ทุกคนไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะแต่หากว่าโยอมนั่งสํานึกธรรญญาไนดะ้จะมีกัตานุตวเวชีอันดับหนึ่งจะไม่ลืมพระคุณของคนไม่ลืมพระคุณของสัตวไม่ลืมพระคุณของชาติภูมุมาตุพูมบ้านเกิดมงองของตน ไม่ลืมพระคุณของอเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยไม่ลืมพระคุณสมือสองาชาสองสมองหนึ่งที่พ่อแม่หาให้มาลืมไม่ได้แน่นอนบางคนก็ลืมหมดเลยลืมพ่อแม่ลืมทั้งปู่ย่าตา ย, ยายลืมทั้งชาติภูมิบ้านเกิดมันเราต้องตดคนนั่งเจริญไม่ได้จบไม่ได้ไม่มีความจเจริญลูกล่งเลี้ยงแต่ระจารได้คนที่ขาดแต่ใจอยู่คนนั้นไร้บุญวัสนา คนที่นั่งเจริมกามฐานได้จะมีกตัญญูเป็นข้อแรกเลยคือเมตตาจะไม่ลืมแม่ลืมพ่อลืมปู่ย่าตายายลืมผู้อุปโภคบุกอุปการลคุณูมิลืมครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้ลืมครูไม่ลืมครูบาอาจารย์ที่ให้ด้วยความดีอันนั้นแน่นอนไม่ลืมพระคุณของผู้มีบุญคุณอย่างแน่อันนี้เป็นเรื่องสาคัญอันนี้ บางคนเีเลีมไไงกันง่ายๆแตนในทั้งบุญคุณที่มีต่อกันกตัญญูตัวเวทีตาททำไม่มีจบไป <c oughs> คนนั้นไร้บุญวาสนาจะเจริญไม่ได้เดิยเจริญไม่ได้ <c oughs> แล้วคุณอุ่นกล้าทิช่าข้ามหลอด้วยน้ำเมตตาจะหานหนเหมือนน้ำข้างเย็นล่าจากน้ำพัาละยังไม่เย็นล้ำท่ำองน้ำาบคนี <c oughs> ทุกคนไม่รู้ เนีายตามาเนี่ยท่องอยู่เสมอมาเป็นเด็กน้ำพระคุณอุ่นกล้าทุกข้าวข้าวรอด้วยน้ําเมตตาจะหาไหนเหมือนน้าค้างเย็นล่าจากน้าพาลายังไม่เย็นร่ำเท่าน้าพระทุนไม่มีหมดในน้ําพระคุณเหมนเราเป็นนี่เป็นสิ่งเงินทองเราใช้หมดได้แต่นี่บุญคุณเนี่ยน้ำพระคุณอุ่นกล้าทุกข้าวข้าวเมตตาการุณิ์นิ่งนานตลอดเายการลือนได้ไหมเหมือนน้าค้างเย็นล่าน้ำพาลายังไม่เย็นล่ำเท่าน้าพระคุน ทุกคนลืมข้อนี้หน้าที่ได้มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองกับประการใดแต่สามีพรรยาไม่ลืมสกุลชึ่อแต่ละกันถ้าเรามีครอบครัวลืมภรรยาที่เขาเลี้ยงลูกได้ดีมีปัญญามาไม่ลืมเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่ามีลูกแต่ละหลายคนเรียกสามีเรียกพ่อพ่อก็จะเรียกภรรยาเรียกแม่แม่บ้านการเลี้ยงเหตุการณ์พ่อบ้านที่ ของสามีทยาก็รักสมัริสมานสามีชี้ช่างความดีในครอบครัวต่อไปบ้านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนารัาพอที่แน่นอนสุดไม่เลยมีดีกว่านี้แ ล, ล้วเพราะเจริงพรอย่างไรบางคนก็หมดทางที่จะดีได้จเจ้าตรงดีตรงไห น, นถ้าจเจริญกรรมาฐานได้โปรดก็หมดแค่ปัญหาเฉพาะหน้าหยะ เราไม่สบายใจอย่าไปทํางานไม่สบายใจหนอให้ใจยาวๆหน่อยได้มั้ยให้ใจยาวเดี๋ยวหายเลยแล้วทํางานเท่านี้เองแก้ไม่ได้โปรดและผูกกรดเข้าไว้แก้ปัญหาไม่ออกสาเหตุทําให้เกิดแต่แยกความสัมมที่เป็นอุปสารคในการประสานงานที่ดีขาดขวามจลิงใจต่อผู้ปฏิบัติงานในการสร้างสตุ้ให้กับตัวเองไม่มีความจริงใจต่อท่านผู้ใหเลย เป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเราไม่สติทรไมสัญญาจะคิดอย่างนี้จะไม่คิดอย่างนี้เด่นจะเห็นคนจะมีจมีตาผู้ที่อธิบายกรรมฐานก็ได้ชื่อการหนึ่งแม่ตากระตันยูตัวที่สาทมจะไม่ยึดพระคุณของซื่อมีบุญจารกุลสองจะเป็นคนสุภาพเช่อ น, น้อนทำโคลตลอดเลวลาจะไม่พูดคําหยาบไายกับผครติดตกอ คนที่มีคุณธรรมสูงจะอ่อนโยนอ่อนน้อมอ่อนธํามตนสาเป็นผู้เสียชละได้จะไม่หวงเงินกินหวงเงินใช้ของกินหวงเงินกินหวงเงินใช้แล้วนั่นมันจะเน่าเรื่องเก่าวไม่เล่ามันจะลืมจะเก่าที่สืบบุคคล น, นั่นจะเสียชละได้เสียช ะ, ะละถูกจลิตก น, นิษ ย, ยานประหยัดให้มั่นฐา ห, หลังให้อบายอบายยมุกยังไม่ไปเล่นอบายามุกความสงบ อหาความสุขให้กับครอบครัวทำตัวเป็นแบบตัวสังคมมุ่งความเฉลสละลดละความหึงคตัวย่ามู้วอใบยมุกสร้างความสงบสุขให้กับครอบครัวสามีภรรยาลูกที่วงคงสาววงเสวันกันดีกว่าสร้างความสงบทครอบครัวอย่ามั่อใายมุกสร้างความสงบให้ครอบครัวสร้างตัวเป็นแบบอย่างต่อสังคม ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างต่อสังคมให้ได้ไม่มีใครตําหนิติโทษแต่ระการใดบ้านน่าึงบ้านแสนสุขบ้านสนุกสบายไปเหนือมาใต้มีคนนิยมชมชอบตลอดรายการจะค้าขายก็รวยจะธุรกิจก็สำเร็จจะเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนได้ดีมีปัญญาจะทําอะไรก็สําเร็จตามเป้าหมายและปรัชนาทุ ก, กต่างเพราะฉะนั้นเราจึงมีแบบเนี่ยเวลาจะไปลามาว่า อ น, อนอน้มถ่อมตนต้องมีดอกไม้ทุกเพียรขอสะกาละขอวันทางมีอะไรก็ให้อภัยกันนะให้อภัยโทษไม่โกรธกันไม่มีเวร ม, มีกรรมติด ต, ตัวไปต้องทําอย่างนี้ไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อโตนปากหวานตัวอ่อนีนไปหนอนโปรดปรุงนาเมตตากับลูกจะไปโรงเรียนไหวพ่อแม่สามโหนจะไปเจอผู้หลาผู้ใหญ่เลี้ยงทางยกมือว่าเจอพระนมันสการไป โรงเรียนว่าทูลรักนําเนะ่ยนำข้ามสอนลูกโดมจะดีมีปัญญาฝึกตั้งแต่เล็กๆต่อขึ้นจะเป็นแบบฉบับที่ดีงามของสังโค่แน่นอนแต่เราไม่ฝึกตั้งแต่เล็กๆนอกอยู่ในกรงไม่หลีกสอนโตขึ้นไปบินออกไปแล้วไม่ต้องตามไปสอนไม่มีทางจะดีได้ขอฝากไหวช่างลูกใครดีใช่ไหมองสร้างความดีกับรูทูทําถูกเรือยสืบหลานรักให้ถูกวิธีทําความดีลูกดูตั้งแต่บัตนี้จนต้นไป รับรองบ้านจะดีมีสถาบเราจะยากดีมีโจรปรการใดรับรองบ้านเราจะเป็นบ้านแสนสุขที่สนุกสบายลูกจะได้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นศาสตราจารย์ไปไหนก็มีหน้ามีตามีคนนับหน้าถือตาถ้าไม่มีจุดหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่มีความรู้เออเขินมากไปไหนไม่มีชื่อเสียง ไม่มีทรัพย์ไม่มีชื่อเสียงไม่มีความยักเดชะกานใดไม่มีทรัพย์อันยศไม่มีคนนับนาถือตาไม่มีชื่อเสียงคนไม่ไวจาดไม่มีความยักไปไหนใครจะมีเมตตากับเราไม่มีแล้วขอฝากญาติยอมผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจะสามโมงจรนครบงามสี่ที่ดีสี่แบบประกันยูส่สีอย่างตะครบถ้าทําได้ติดต่อกันไปงาม ด้วยเครื่องแต่งกายเรียบเหลืองงามด้วยอวัยวะหน้าตาดียืมแยื้อแจ่มใสงามด้วยมารายาจะอยู่เินเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคู่เหยียดขามีสติสัมมชัญญาไวา้งามตรงนี้สําคัญมากงามด้วยมารายางามด้วยน้ำใจน้ําใจงามนี่คือสติสัมมชัญญานี่คือกรรมฐานงามด้วยน้ำใจดีสีแบบดีที่ชาติสกุลของโยม สองเบเทศทัพย์สมบัติ 3. มเบที่วิชาความรู้ความสามารถสีเบที่มีสัญญประจานใจตลองไปประตานยูสือย่างประจานยูต่อบุคคลฤกษ์คุณพระบิดามันดาหม่มีกาละคุณคุบาอาารนต้นจะไม่ลืมพระคุณอันนี้ประจานยูต่อสถานที่ จะไม่ลืมพระคุณของประทานที่ให้แรงให้เกิดสภาพความดีเรียนหนังสือหรือแ่งให้เกิดสภาพความดีมีปัญญาจะไม่ลืมพระคุณอันนั้นปก็ตันโยูต่อความดีเราู้พระคุณของความดีที่ทําให้เราเป็นคนดีจะไม่ลืมเขาเลยคืตอตารโยต่อตัวเองรูป้พประคุณของร่างกายรักษาทักอัภาพอนามัยวะอวอย่าะสี่อนำกระให โรคเข่าโรคปวดหลังหายแน่นอนถ้าเชื่อไปถ้าไม่เชื่อมาตองโรคเบาหวานยังหายโรคปากโรคตายกินไอเดลเ็กหันหันๆันหัหนึ่ง้อนน้ำพึ้งหนึ่งช้อนกินมาแล้วลครัโบโรคปากหายปากถีงเล่ามามาหายเลยถ้าโรคชักชักอยู่เสมอทิกทยดีมากชาสองหลอด กางันช่องหลอดเย็นช่งหลอดโลกชาปนหายงายหน่อยพาเชื่อไปไม่เชื่อไม่เป็นไรอย่ากปลางบ้านเราหายมาเยอะแยะวันนี้ก็ขอหมดเวลาที่ชี้แจงแสดงมาพอสมควรแล้วมีขอมุทนาสาติการแต่ที่ปฏิบัติทำขอให้จ้างกายพระทศตัยบัติให้เสมอต้องเสมอแลปลายหน่อยใช่ไหมอย่าทำเป็นก้าวกรดก็แต่งเป็นก้าบอลก็แบนยยมจะไม่ได้ดีนะอย่าเสียขจัดในการที่เรารับกรรมฐาน ย่าเยเสดจะจะเวลาที่มาไม่เกิดประโยชน์ผลดีผลไม่เปนการใดเราขออำนาจุูมิปัญญาศาสนากายอำนาจบูมุชนหลายขุยประทานพอให้อยากเยิญยิงโ ย, ม, ย, ม, ยมชายอุบาสกบริการที่ท่านจรงประชดเความสุขชัน น, นิ ร, รันดรพราะรงเริฐตัวที่ละพรชายฉีดละตาไม่อยาอยุขอยเยืนนานมนโนพิพันผ่องใสสุขค้างคอยสุขภาพทางอนามัยทุกท่าวโล่ใจดี โรคภัยขจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายทุกคิไว้น้บัดนี้จะคืบต่อไปโอกาสหน้าช่วงพรังงานเจอความสำเร็จระเด็ดผลสมเจตจำนงความหมุหากราธนาโดยการทุกทุกท่กทานในโอกาสบัดนี้เธอญขอเจริญพรทุกทุกท่าน